ได้พอระลึกชาติได้ท่านนี่แกไม่ยอมกินนมแม่เลยไม่ยอมพอโตขึ้นมาตาก็เลี้ยงตาก็เลี้ยงถ้าส่วนหายโตมาพอรู้ความตะก็ละกาก็ถามว่าทําไมไม่ให้แม่กอดทําไมไมด่ดูดนมแม่เป็นต้นก็บอกมันไม่ใช่แม่ผมหรอกมันเป็นศัตรูผมมันฆ่าผมมาเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดเลยมันระลึกชาติได้เสร็จแล้วก็ระลึกชาติแล้วเล่าให้ตาตาหลานก็เลยกอดคอกันร้องไห้ ปรกอบค อ, อกัน ร, ร้องไห้ก็เลยชวนกันบวชเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่ก็แสดงว่าอัปราประเจตนามานําเกิดจึงระลึกชาติได้เนี่ยนะอัปราประเจตนาที่เป็นบุญมีกําลังมากระลึกชาติได้ก็เลยทําให้ให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็ตอนหลังก็ออกบวชเป็นพระอรหันต์ทั้งตาทั้งหลานเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายวัตถุทั้งหลายที่เราคิดว่าเพลิดเพลินอาจจะดีจริงอยู่ในรอตอนต้นใช่ไหมคือยังไม่ได้ปัจจัยที่จะแปรเป็นอื่น นเหมือนร่างกายของเรานะเราก็ว่ามันเหมือนกับมีเหมือนกับมีเรามีอํานาจในมันอ่ะนะเหมือนจะควบคุมดูแลมันได้คอนโทรลมาได้ทุกอย่างแล้วจริงๆทําได้ไหมคุณอะไรไม่ได้พอมันเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ยอมอนะมาเนี่ยแหมขึ้นยังก็ว่าอะไรก็มารู้ขึ้นมาเผาผลาญเต็มไปหมดเลยนะมันร้อนระอุไปหมดเลยน้ําตาไหลพากันร้อนจนต้องน้ําตาไหลนะคิดดูไม่เลยร้อนธรรมดาเตโชท่านเป็นอย่างเงี้ยเชื่อตามป้าเฉลวยดูเถอะวันนี้ไปไหนแนละ้ว อ๋อข้าแล้วข้าห้องน้ําอีกแล้วนะเอ้ห้องน้บบนํากับมีสงสัยจะเป็น <c oughs> คุณมาริวันเป็นยังไงแล้วไม่มานะนั่นก็พักผ่อนไปอีกแล้วเนี่ยนะเนี่มีอํานาจจริงหรือเปล่าในในร่างกายของเราเนี่ยดูว่ามันมีอํานาจเนี่ยนะเของมามีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นแผลในกระเพาะนะแล้วท้องมันอืดมากเลยนะเราก็นึกถึงคนมีท้องนะเะคิดยังไงมันก็ไม่ยุบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ตอนหลังก็ไปหาหมอ ตรวจ ด, ดูอ้าเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยนะนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยตอนก็นึกว่ามันเรามีอํานาจอะไรมันเนี่พอเอาเข้าจริงๆแล้วมั น, นมีอํานาจอะไรเลยเราไปเชื่อลองปวดฟันนั่นไม่กินยาดูสิบอกอย่าปวดนะจงพอจงหยุดอย่าปวดบอกยาเอวเฮยิ่งหนักกระเดินอีก <c oughs> ยิ่งคุยมากยิ่งหนักกระเดินของก็ะต่ายว่าคติทลายมันเป็นอย่างนี้แหละขันทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละพระองค์จึงเปรียบเหมือนอะไรแห่ง ผ ล, ลไม้ถ้าติดข้องมากๆในระยะยาวนี่แย่แน่นี่นนะถ้าติดข้องด้วยด้วยทิฐิแล้วก็คติสองอ น, นรต ก, กเดระฉานถ้าตัวทิฏฐินะถ้าข้องในทิฐิอันนั้นจริงๆแล้วเขาคติสองคือนรต ก, กเดระฉานเมื่อวานว่าจะกล่าวสูตรนี้อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้กล่าวคือในกุกุโรวาทสูตรเนี่ยนะที่ที่พระองค์ตัด ก, กับอะไรนะอ่าเสนิยะ น, นะเสนยะอเจระกะกับอะไรที่ประพฤติสุนัขวัดกับ ประพฤติโควัดเนี่ยนะก็พระ อ, องค์ก็ตรัสว่าคติสองของทิฏฐิแล้วก็ข้อบทความเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ที่เดียวมีอีกหลายแห่งนะนะว่าทิฏฐินี้มีโทษยิ่งนักถ้าติดข้องในทิฏฐิก็คติสองนังกล่าวไปแต่ถ้าติดข้องในวัตถุกรารมก็ไม่แน่นะก็วนๆเกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมตามสมควรแก่กรรมกรารมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสอุปมาเหมือนอะไรเหมือนเขียงหั่นเนื้อ เขียงหันเนื้อเนี่ยเขียงหันเนื้อถ้าเจ้าของหันเนื้อนะแบบสับลงไปเนี่ยนะมันโดนแต่เนื้อใช่ไหมไม่มันเลยไปถึงเขียงด้วยเลยไปถึงเขียงด้วยวัตถุกรรมทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนะนันนำมาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งความยากมันนํามาซึ่งความลําบากพูดแบบภาษาหนึ่งก็บอกมันเข้าเนื้อทุกครั้งเลยอนะมันเข้าเนื้อทุกครั้งเลยนะคือเอาง่ายๆว่าวัตถุกรรมไหนที่ไปเกี่ยวข้องแล้วจิตไม่เศ้ามองกลับมา ไม่มีนั่นแหละเรียกว่ามันเข้าเนื้อมาแล้วนะมันเข้าเนื้อแล้วนะที่ที่ไปเศร้ามองด้วย อ, อํานาจอากุศลกลับมาในวัตถุใดนะถธอให้รู้เธอว่าวัตถุนั้นเราขเข้าเนื้อมาเรียบร้อยแล้วพันวัตถุกลางทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆอินะเข้าเนื้อมาจนได้กางทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเหมือนหอกเหมือนหลาเนี่ยนะมันเหมือนเป็นของทิ่มของแทงกางทั้งหลายก็เหมือนกับ หัวงูเห่าหมายความว่าลวดลายมันวิจิตแต่ว่าจริงๆแล้วมีโทษมากมีทุกขมากมีความขับแค้นมากโทษในการมทั้งหลายเนี่มีอย่างยิ่งพระพิสุจะยกอุปมาอย่างไรขึ้นมาพระอริธาก็ไม่เห็นด้วยกามไม่มีโทษกามไม่มีโทษยืนยันอยู่ตามเดิมว่ากามไม่มีโทษพระพิสุก็เลยเรื่องอยังไงก็เปลื้องทิฐิอันชั่วนั้นเปลื้องไม่ได้เปลี่ยนความเห็นว่ากามมันมีโทษไม่ได้ ยืนยันอยู่ตามเดิมว่ากามไม่มีโทษ น, นะทิฏกของเขาเขาถือว่ากรรมไม่มีโทษคําสอนพระพุทธเจ้าแต่ว่าโทษของกรรมมียิ่งนักใช่ไหมด้วยอุปมาดังที่กล่าวไปมากมายก็เพื่อจะชี้ให้เห็นโทษของกามทั้งหลายคือคือโทษของกามในที่นี้หมายถึงวัตถุกรรมหรือกิเลสกรรมคือกิเลสกรรมที่ไปตะกราตะกรามกับวัตถุกรรมไอตัวนั้นนะ่ะมันมีโทษร้ายแรงมีพิษแรงมาก เพราะว่าวัตถุกกามเขาก็อยู่อย่างนั้นของเขาอ่ะนะเขาก็อยู่อย่างนั้นของเขาเราเคยแสดงว่าัฒภาพจิตเทียบเข้าไปตะกะตะกรารบริโภควัตถุกกา ร, รอโนนั้นมันมีพิษร้ายแรงยิ่งนักแต่พระริษทธบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะไม่มีโทษอะไรพผลทิฏฐิอันนี้ก็มีกําลังแรงมากเนี่ยนะจนไม่มีใครแก้ได้พิสุก็เลยเข้าไปเฝ้ากราบถุนพระผู้มีพระภาคพงษ์ก็รับสั่งหารับสังหาก็ไปซักไซไล่เลียงคือซึ่งพระพิสุเนี่ยก็ไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ เรียกมากซักไซไล่เลียงพงก็ตรัสถามว่าดูก่อนโม่ะบุรุษเธอรูท้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครเล่าเอ้เราเคยแสดงว่ากามมันไม่มีโทษกับใครแสดงกับเทวดากับมนุษย์กับคือหัายบัญญัติหรือแสดงกับใครทำทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นธรรมกับธรรมอันตรายโดยอเนกปริยายไม่ใช่หรือ นะอย่างปฐมประราชิกเป็นต้นเนี่ยโอ้ยแสดงใหญ่มากนะถ้าใครอ่านนะจะรู้เลยว่าหูเอามาเรียกว่าเหมือนกับเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเหลือเกินเนี่ยนะนะถ้าเป็นของศาสนาอื่นนะเอ๊ะนี่มันเรื่องธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ของพุทธศาสนาบอกโหเรื่องนี้ยิ่งใหญ่จริงๆก็แหละทำเหล่านั้นสามารถทําอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงแล้วก็ตัดอุปมา ถ, ถึงโทษของวัตถุ ก, กรรมว่าการบริโภควัตถุกรรมเรื่องหน้าฉันทราคะนี่มีโทษยิ่งนัก ตอนท้ายพองบอกว่าดูก่อนโมคาบุรุษเธอกล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยทิฏฐิอันชั่วอันตนถือเอาชั่วแล้วกรรมนั้นแลจักมีแก่เธอเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานอันน่ไอตัวทิฏฐิตัวนั้นนี่มันร้ายแรงมากมันทำลายเธอเนอะมันจะพาเธอไปให้เดือดร้อนในวัฏฏะอันยาวนานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูุทั้งหลายมาว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงเออก็อริธาภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงนี้จะ ก, กระทําญาณให้สูงขึ้นในพระธรรมวินัยนี้ได้หรือถ้ามีความรู้สึกว่ากรรมไม่มีโทษการบริโภคด้วยอํานาจกิเลสกรรมในวัตถุกรรมทั้งหลายไม่มีโทษสมถาวิปัสนาในระดับสูงเขาจะเกิดได้ไหมสมถาวิปัสนาจะเจริญได้ไหม พิสุททั้งหลายก็กราบทูลว่าความสูงแห่งยานอะไรเล่าจะเพิ่งมีได้โอยอะไรมันจะเกิดขึ้นได้อะนะก็ความสูงขึ้นแห่งยานนั้นจักมีไม่ได้เลยเมื่อพิสุกราบทูลอย่างนี้แล้วพระอริษ h a ก็เป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาแล้วก็หมดปฏิภาณคือพอพระ อ, องค์ตรัสเรียกว่าโมฆะบุรุษนะเขาบอกเอ๊ะพระอุปเสสนะวังคันตบุตรพระ อ, องค์ก็เรียกโมฆะบุรุษตอนหลังก็ปฏิบัติอย่างบรรลุมรรคผลของเราก็ช่างเถอะพระ อ, องค์เรียกโมฆะบุตรนะเราจะปฏิบัติก็ได้บรรลุมรรคผลเหมือนพระอุปเสสนพระรพ อ, องค์ก็เนี่ยบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกจะเจริญงอก ง, งามในธรรมวิไ น, นัยนี้เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะก็เลยนั่งซบเซาหมดปฏิภาณเสร็จแล้วก็ยังคิดว่าเออพระ อ, องค์คงจะสอนเราให้บั ทำบุญก็ได้คงจะได้พอไปสู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้บรรลุมรรคผลนะเราก็มาทําบุญให้ทานเป็นผู้เป็นเหล่ากอของคนข่าแรงกล่าวพระองค์ก็เลยทราบรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ยยตรงบอกว่าเพราะผู้มีพระภาคทราบว่าริทธาพิสุเป็นผู้นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานจึงได้ตรัสการิธาว่าดูก่อนโมฆะบุรุษ เธอจักปรากฏด้วยทิฐิอันชั่วของตนเองนั่นแหลเราจักสอบถามพิสูุ์ทั้งหลายในที่นี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูุทั้งหลายมาว่าพิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้โดยประการที่อริ ธ, ธาภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงกล่าวตู่เราขุดตนเองและก็ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยทิฐิอันชั่วอันตนถือเอาชั่วแล้วดังนี้หรือก็บอกว่า เขาจะได้บุญใช่ไหมเนี่ยนะที่ที่ทิเถี่ น, นี้นะเป็นปัจจัยให้เจริญบุญเจริญกุศลใช่ไหมไม่ใช่หรอกข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์นี้แสดงทำว่าทำทั้งหมดเนี่ยมันมีอันตรายแต่เขาคิดตรงกันข้ามกับ ถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าไปหมดเขาจักเจริญได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดีแล้วพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วโดยประการที่กล่าวว่าธรรมนั้นเป็นธรรมอันตรายซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงเรากล่าวว่าตามทั้งหลายมีโทษมีความยินดีน้อยคือมีอัศธาโน้อยมีทุกข์มากะนะโทษโทษในการมทั้งหลายเนี่ยมีอยู่โดยยิ่งเสร็จแล้วก็เออ อริธะผู้เป็นเหล่ากอของขนข้าแรงนี่กล่าวตูเราขุดตนเองและประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยทิฐิอันชั่วอันตนถือเอาชั่วแล้วตำนั้นแลจกมีแก่เธอผู้เป็นโมฆะบุรุษเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกสิ้นกาลนานเนีย่ยนะเพราะถือทิฏฐิติตัวนั้นนี่ร้ายแรงมาก น, นะเป็นไปเพื่อประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากถามว่าทําไมรู้ไหม ทำไมเอะผ้าที่ถามจึงพระองค์เหมือนกับว่าพูดไม่ให้เขางอกเลยเลยเพราะอะไรเพราะพระองค์วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าว่าภิกษุทั้งหลายเธอจักเสพกรรมทั้งหลายคนที่มีความคิดว่าไม่มีโทษจะทําอะไรก็หมกมุ่นไปหาวัตถุกกรรมจะมีอะไรนอกจากเสพกรรมนอกจากกรร ม, มสัญญานอกจากกรร ม, มวิตกข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ คือสมมุติถ้าหากว่าคนที่ดื่มเหล้าไม่คือเขาเขานักดื่มทั้งหลายนะเขาก็จะเริ่มเลี่ยงบาลีแล้วเขาบอกว่าสุราเมระยะมัชะเขาว่าก็นี่ไงใ ห, ให้ดื่มเป็นระยะระยะไงเพราะนี่พระองค์ก็ยังอนุญาตให้ดื่มเป็นระยะระยะเพราะนั้นมันไม่มีโทษเขาก็เลยพวกนี้ก็ถามว่าเฮ็ดไหมว่าเขาจะเลิกเหล้า เป็นไปไม่ได้ก็จะดื่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉันใดผู้ที่กล่าวว่าวัตถุ ก, การมทั้งหลายไม่มีโทษก็ฉันนั้นเขาก็จังคลุกคลีห ม, มกมุ่นคุ้นคิดแต่ธรรมวิไนคือตุดจะไปไหนล่ะอกุศลวิตกมากๆก็ไปไหนปัญหาคาถาอุทานเป็นต้นนะเกิดขึ้นมากกามสัญญาเกิดขึ้นมากภาษะที่อะไรนะต่อด้วยเจตนาที่เป็นบาปเป็นอากุศลก็ตามมา มันก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เฝ้ามหาพูดตลอดไปเนี่ยนะเขต้องเลี้ยงดูมหาพูดไปตลอดไปแต่ว่าเป็นมหาพูดที่เป็นนอนเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้พอง ก, ก็ตัดว่าเหตุผลที่พระริทธะเห็นว่ากามทั้งหลายไม่มีโทษเนี่ยต้นเหตุเนี่ยมาจากอะไรต้นเหตุนะพอง ก, ก็บอกว่าต้นเหตุก็คือเธอเรียนธรรมวินัยคือพระไตรปิฎกเนี่ยเรียนพระไตรปิฎกมางั้นเถอะคือสุตตะเคยยะเวยาวยการณาข้าประโยชน์แก่มรรคผล เรียนแล้วเนี่ยไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งพระธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาเนี่ยคือคือเรียนเรียนไม่ดีอ่ะนะธรรมะเหล่านั้นย่อมไม่ควรซึ่งการเพ่งแห่งโมฆะบุรุษเหล่านั้นผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาโมฆะบุรุษเหล่านั้นข่มผู้อื่นเป็นอันิสง์หมายเปลื่องคํากล่าวร้ายของผู้อื่นเป็นอนิสง์จึงเล่าเรียน <c oughs> คือเรียนเพื่อไม่ให้ใครข่มตัวเองได้นั่นเอง เรียนเพื่อเสริมอะไรเสริมอํานาจเสริมบารมีเสริมอะไรทั้งหลายแหละที่ที่ตัวเองต้องการเนี่ยนะพันก็คนอื่นเนี่ยเขาเรียนเพื่อประโยชน์แก่มักผลใดนะนะตัวเองก็ไม่ได้เสวยประโยชน์แห่งทำละทำเหล่านั้นเลยคนพระ อ, องค์แสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่อะไรแก่มักผลเป็นต้นใช่ไหมผู้ที่ฟังทำปฏิบัติตามก็เพื่อประโยชน์แก่มักผลแต่ถ้าเรียนเพื่อโก้อย่างเดียวเนี่ยอะไรจะเกิดตามมา นะก็ไว้ข่มคนอื่นใชนะว่าเราเป็นผู้รู้คนอื่นก็ไม่รู้สู้เราก็ไม่ได้อนะ ก, ก็เอาไว้เปลืองเอาไว้เย่อหยิ่งเอาไว้ถือตัวเป็นต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านั้นอันโมคะบุรุษเหล่านั้นเรียนไม่ดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกสิ้นการละนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรียนมาไม่ดีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยงูพิษ เสาะหางูพิษเที่ยวสแสวงหางูพิษเขาพึงพบงูพิษตัวใหญ่จับงูพิษนั้นที่ขนดหรือที่หางขนดคือจับตรงไหนลําตัวจับกลางตัวงูพิษหรือไม่ก็จับที่หางงูพิษงูนั้นก็พึงแหวนแหวงกัดเขาที่มือหรือที่แขนหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งหนึ่งเขาพึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะมีการกัดนั้นเป็นเหตุ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะงูพิษนั้นตนจับแล้วไม่ดีแม้ฉันใดผู้ที่เรียนพระไตรปิฎกแล้วศึกษาด้วยความผิดพลาดก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็สังเกตดูนะอย่างพระพิสุบางรูปที่สร้างความเสียหายให้แก่พระาศาสนาเนี่ยไม่ใช่ท่านไม่มีความรู้นะมีมากด้วยแล้วท่านโหก็ท่านขึ้นมาคนเดียวนะาศาสนาแทบสูญเลย อนี้นะบางบางรูปเนี่ยเป็นอย่างนั้นตอนแรกนี่โอ้โหมีความตั้งใจดีมากเลยนะเอาจริงเอาจังมากตอนหลังเลยนะาศาสนาเจงเลยอนะ่ะสร้างความเสียหายให้กับาศาสนาเนี่ยแทบหาประมาณไม่ได้เนี่ย น, ะนี่อันนะั้นก็ขายของเก่าที่ตัวเองเคยกล่าวทำมวินัยเอาไว้หเอามาขายกินตอนหลังก็สร้างความเสียหายให้กับตัวเองอย่างหาปมเกิดมาทําลายจริงอ น, นะัแต่ว่ามาในคราบนักบุญเนี่ยนะีตอนหลังเนี่ยถามว่า กลายเป็นผู้ที่ชักชวนพระพิสุให้เสียศีลเสียธรรมเสียวินัยมากเนี่ยนะพาเสียหายสร้างความเสียหายมากเลยเนี่ยนะมีนะ ม, นะมนะีบ้านเรานี่แหละแต่ก็คนก็ยังยกย่องอยู่ตามเดิมเนี่ยนะคนที่ไม่รู้ก็นับถือก็ทุ่มเทให้เต็มที่เหมือนกันอันนี้คือโทษของวัตตะมันก็น่ากลัวอย่างนี้ น, นะก็ขายของเก่าที่ตัวเองเคยกล่าท ร, รมวินัยเอาไว้นะั่นแหละเอามาขายกิน ตอนหลังก็สร้างความเสียหายให้กับตัวเองอย่างหาประมาณไม่ได้อันนศะาสนาันนะเอาพระพิสูจน์ทั้งหลายบวชเข้ามาก็นอกริดนอกรอยนอกธ ร, รมนอกวินัยเสียศีลเสียธรรมเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยอนนะ้ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าของคนไม่ดีเลยนะอันนี้ก็เป็นโทษของการศึกษาพระธรรมที่ตั้งจิตเอาไว้ผิดอนนะตั้งจิตเอาไว้ผิดในการศึกษาพระธรรมซึ่งที่ที่ยกพระสูตรนี้มาก็คือต้องการให ให้ตั้งอัตตาสำัำมาประเิทที่ให้ดีเลยในการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเราต้องโอน้นอ่อนตามพระธรรมคำสอนเอาไว้เสมอถึงจะฝืนความรู้สึกบ้างทำตามไปเถอะแล้วจะไม่เสียใจในภายหลังแต่ถ้าเราฝืนฝืนตอนแรกๆก็จะไม่มีอะไรตอนหลังตอนหลังเข้ามานี่สิเสียหายหาประมาณไม่ได้เพราะว่าคนที่ฝืนพระธรรมคาสอนเนี่ยนะ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมุ่งมุ่งทําไมมุ่งกําจัดโลภะโทสะและโมหะถ้าฝืนอะไรเกิดขึ้นโลภะโทสะโมหะก็มีกําลังมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของผู้มากไปด้วยราคาโทสะโมหะทําอะไรอะไรบ้างที่ทําไม่ได้ตอนหลังก็กลายมามาเอามาทําเป็นการค้าถ้ากิเลสมันมีกําลังเต็มที่นะเหมือนหลวงพ่อเมื่อกลางวันนี้เลยผมนี่เป็นเจ้าของวัดศรีลังกาว่งางั้น ผมเคยไปประเทศไทยนะก็เขาก็พูดอยากจะให้เราเนี่ยไปทําบุญที่วัดสถีทําไมไม่พาไปเที่ยวไปบอกตั้งหลายครั้งนะมาที่ร้านอาหารก็ยังตามมาบอกว่าผมเป็นเจ้าของวัดให้ชวนกันไปที่วัดหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยนะแล้วก็โอ้แล้วก็เห็นเนี่ยโทษของวัดตะเนาะโทษของวัดตะหรือไม่พิสูจน์เขามีวัดวัดเนปาลมีสองแห่งวัดข้างหน้ากับ ว, วัดข้างหลังเห็นไหยข้างหลังที่พระพิสูจ์ที่นั่งโคลนต้นโพนะ เที่ยวส่งสัมาเน็มากราบมาไหว้เนี่ยนะเพราะคือจริงๆก็ไม่มีศรัทธาอะไรหรอกเข้ามจไหมแต่ก็ไปประกอบเป็นอาชีพวัตถุกรรมทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้ดีถ้าเป็นเมื่อก่อนก็มีอะไรนะมีอาชีพแต่งตัวเป็นนักบวชขอทานนีนะตอนหลังน่าจะทางบูนก็เลยบิดเบือนของพระพุทธเจ้าเบ็ดเสร็จว่าไม่มีวัตถุกรรมนั้นถ้ากลายเป็นของตัวเองอย่างเต็มที่เมื่อบริบูรณ์ไปด้วยวัตถุกรรมจะมีกําลังมากยิ่งนี้นี่นถึงิ่งขึ้น คือเอาเพศเป็นต้นเนี่ยมาเป็นอะไรที่ประกอบแห่งมิจฉาชีพเนี่ยนะก็ผู้การตั้งข้อสังเกตเมื่อไหร่นะเมื่อวันก่อนๆใช่ไหมเอามาประกอบเป็นอาชีพไปเรียบร้อยแล้วทำไมจริงก็ต้องมีสัมมาอาชีพเข้ามาเนี่ยนะก็ไปประกอบเป็นอาชีพ อ, นนอาศัยเครื่องแบบของพระพุทธเจ้าอาศัยที่ทิของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นแล้วก็สแสวงหาวัตถุกรรมหนักๆเข้าเมื่อวัตถุกรรมบริบูรณ์ก็เลย บิดเบือนของพระพุทธเจ้าเบ็ดเสร็จว่าไม่มีอะไรเนี่ยนะก็กลายเป็นของตัวเองอย่างเต็มที่เมื่อบริบูรณ์ไปด้วยวัตถุกรรมอย่างเต็มที่ซึ่งในยุคนี้นี่ถือว่าอันตรายมากเนี่ยนะอันถ้าจากสูตรนี้แล้วก็ดูในลักษณะสังยุตเป็นต้นหรือดูในธรรมบทเป็นต้นเนี่ยจะน่ากลัวมากๆเลยว่ามหาพูดในโลกเนี่ยเป็นวัตถุที่น่ากลัวจริงๆเลยนะเพราะว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีโยนิโสมนัิการเนี่ยนะ เขาพูดเหมือ น, เ ห, อนเหมือนเขียงหันเนื้อเนี่ยของมาเข้าใจเลยว่าเกี่ยวข้องกับอะไรไม่เปื้อนบาปกลับมามีไหมมันอดไม่ได้อยู่ดีเลยในที่สุดก็เอาจนได้บาปกลับมาจนได้นี่คือคือโทษของในยุคนี้มันเป็นอย่างี้คือโทษของอุปาทานขันห้ามันเป็นอย่างนี้โทษของกรรมวัดวิปากวัดกิเลสวัดจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโดยที่สุดแม้แต่ศึกษาพระธรรมคําสอนก็ยัง ยังสร้างยังมีความเสียหายเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่เริ่มศึกษาพระไตรปิฎกในตอนแรกในตอนต้นพยายามตั้งอัตตาสัมมาปณิที่เอาไว้ให้ดีว่าอะไรนะเอาแบบบทสวดมนต์ที่โบราณท่านท่านดูเหมือนท่านตั้งใจเลยนะจักทาในใจอยู่ศึกษาอยู่ปฏิบัติตามอยู่ตามสติกําลังคือคือให้เจตนารมณ์ตัวนั้นให้ดีๆเข้าไวนะ้นะนะคือคือให้เอาตรงนั้นเอาไว้เป็นหลักเลยนะว่า จักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามสติกําลังของให้การศึกษาและการปฏิบัติเหล่านั้นจงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นด้วยเถินท่านย้ําให้เราคิดอยู่คํานี้ทุกวันทุกวันทุกวันไม่งั้นนี่เอ้มเข้ามาศึกษาแล้วทําอะไรนะนักห น, กห น, กหนกเข้าบางคนเนี่ถือว่ า, าศาสนาเป็นของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยนะไม่ได้คิดว่าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้คือความเสียหายที่ทเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นความเสียหายที่น้อยคนนักที่จะมีความรู้สึกว่าเสียหายเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจคาว่าอันตรายปกปิดมันคืออะไรตอนหลังนี้เข้าใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้คืออันตรายปกปิดอย่างแท้จริงเนี่ยนะเป็นอันตรายที่ปิดจนถ้าไม่อะไรนะถ้าเป็นพื้นฐานไม่มีฮีโอตปะทางความคิดดีๆจริงๆแล้วเนี่ย จะไม่คิดเลยนะว่ามีอันตรายเนี่ยนะน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเออนี่อันตรายนะอันตรายนะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมคำสอนก็เหมือนกันการผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยนะโดยการธรรมจกักในส่วนไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาไม่ใช่นี่คือการศึกษาธรรมะก็ไม่ควรต่อการเพ่งนะธรรมะนี่เป็นเรื่องดีแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเอามาเพ่งอย่างที่ว่านะสมมุติว่า คนสวดอธิตตะปริยัยสูตรนี่ได้เยอะนะอ่ น, นะจากคุ่งอาธิตังรูปังอาธิตาเป็นตัวเนี่ยอุ้ยสวดมาเยอะเลยนะแต่ถามว่ามึงเห็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเอามาเพ่งหรือเปล่าอย่างนี้ น, นะอันนี้ทําให้เห็นว่าโอ้ไม่ค่อยได้เพ่งตามเลยอ่า น, นะคือคืออย่างนี้เนี่ยมีเยอะเนี่ยนะอ่ น, นะอย่างอนัตตลักษณะสูตรเนี่ย ก, ก็สวดกันธรรมาจากในสวดถือเป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะแต่ถ้าถามว่าเจริญเอาตามธรรมมาจากไหม ไม่ใช่นี่คือการศึกษาแล้วไม่เอามาเพ่งไม่เอามาพิจารณากลัวจะเป็นการตรึกไปซะอีกเนี่ยนะให้มันประจักษ์แจ้งขึ้นมาเองก็เลยเสียหายมากท่านถ้าหากว่าไม่เอาพระธรรมเหล่านี้มาตรึกมาแพ่งมาพิจารณามาใคร่ครวนให้เพียงพอเนี่ยนะแล้วไอ้ที่เรียนมาแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรท่านก็กลายเป็นผู้ไม่ตราตรองเนื้อความด้วยปัญญาโมฆะบุรุษเหล่านั้นหมายคมผู้อื่นเป็นอนิสง์ เรื่องกล่าวทำร้ายผู้อื่นเป็นอนิสงส์จึงเล่าเรียนธรมรมะเลยวันนั้นนะก็ค <c oughs> ือเรียนเพื่ออะไรนะเพื่ออย่างที่อาจารย์สอนบาลีบางท่านเนี่ยนะสอนลูกศิษย์ให้ตั้งมิจฉาปณิธิไว้เลยนะท่านทั้งหลายตั้งใจเรียนเถอดบาลีถ้าท่านสอบได้นะสองปีนี้ท่านก็ได้เป็นมหาแล้วรองเท้าก็เป็นรองเท้ามหา หมาก็ยังเป็นหมาของมหากุติก็กุติมหาอะไรมันจะเป็นมหาตาเป็นหมดเลยคำว่างั้นนะวยนวันนั้นนั่งฟังรำคาญมากเลยนะรำคาญอาจารย์สอนมากก็เลยพ่เกลียดอาจารย์นั่นแหละก็เลยไม่จบบาลีมากับเขาฟังแล้วหมั่นใต้อาจารย์มากเลยวันนั้นนะก็เลยก็เลยไม่จบบาลีมาอย่างทุกวันเนี่ยก็เพราะเพราะว่ารำคาญในคำว่าเป็นมหานี่แหละ เพราะฉะนั้นโมฆะบุรุษเนี่ยส่วนหนึ่งก็เรียนเอาไว้ข่มคนอื่นเนี่ยนะคือให้รู้จักเราสับ้างเนี่ยนะรู้แต่เราน้อยไปเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะแหมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆก็กุลบุตรทั้งหลายเล่าเรียนธรรมะเพื่อประโยชน์อันใดโมฆะบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ได้สวยประโยชน์แห่งธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่านั้นอันโมฆะบุรุษเหล่านั้นเรียนไม่ดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมทั้งหลาย อันตนเรียนไว้ไม่ดีอาถรานี้กล่าวไว้ชอบอยู่คํานึ่งนะเธอบอกว่าถ้าหากว่าผู้ที่เรียนด้วยความตั้งจิตเอาไว้ผิดเนี่ยนะท่านบอกว่านอนยังจะเลวน้อยกว่าว่างั้นไม่ต้องเรียนหรอกไปนอนเถอะว่างั้นนะมีนะเขาบอกไม่ต้องเรียนโน่นหรอไปนอนเถอะว่างั้นถ้าหากว่าตั้งจิตเอาไว้ผิดเช่นนั้นนะไม่ต้องมีความรู้อะไรโน่นหรอกไปนอนดีกว่าว่างั้นเลวน้อยกว่าเยอะเพราะอะไรเหมือนกับว่า ไปไดอออ้อาวุธอยู่ในมือคนพาณิฯความรู้อยู่ในมือคนคนคนพาณิฯอะไรจะเกิดขึ้นมีอยู่สูตรหนึ่งที่ที่อะไรนะเรื่องดีดดีดขี้ี้แพ้อนะไรดีดใส่คนนะเสียค่าปรับเท่านั้นปากอ ะ, อะนะแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้เปลีย่ยนเนี่ยมันดีดขี้แพะเข้าปากปุโรหิตปุโรหิตนี่พูดมากมากนะพระราชานี่พูดม <S <S ไม่ทำสั <imbap> กทีก็เลยจ้าไอ้คนดีดขี้แพะเนี่ยไปดีดใส่ปากเลยหมดไปเป็นธนานเลยนะ เสร็จแล้วก็บอกเอ้อดีขี้แพ้นี่มันก็ได้ดีเหมือนกันนะก็เลยมีคนเข้าไปสมัครเรียนสมัครเรียนวิชานี้ไอ่ไอ้คนเปรี้ยนนี่เขาก็ไม่ยอมสอนให้ก็เลยไปอุปถักจนไอ้เปรี้ย น, นี่สอนให้พอสอนให้สําเร็จเขาบอกว่าเขาจะลองวิชาครับอาจารย์เขบอกถ้าแกลองวิชาถ้าดีดใส่คนนะเสียค่าปรับเท่านั้นถ้าดีดใส่มาส้าใส่โคเป็นต้นจะเสียค่าปรับเท่านั้นจะต้องไปใส่อะไรที่ไม่ต้องเสียค่าปรับนันนะ เสร็จแล้วก็คิดไปคิดมาไปเห็นพระประเจกเข้าก็เลยดีดหูซ้ายทะลุหูขวาพระประเจกปริณิพานเลเสร็จแล้วก็ตัวเองก็เลยตกนรกนี่พงษ์ก็ตัดในคาถาว่าความรู้ที่เกิดขึ้นแก่คนผานเพื่อประโยชน์แก่ข่าตนตนะมีมีมีมีศิลป ะ, ะเหล่านั้นเพื่อข่าตัวเองเ น, ะนี่ยนะชั้นใดความรู้ในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของบางคนเนี่ยมีไว้เพื่อข่าตัวเองชัดๆเลยนะไม่รู้ยังจะทําบาปได้น้อยกว่าซะอีกเนี่ยนะ เพราะบางคนเนี่ยศึกษานิดเดียวแต่ว่าวิจารณ์เก่งมากเลยนะไม่รู้ทําได้ยังไงไม่รู้ยังแปลกใจกอยู่ทุทกๆวัน เ, นะ เ, เนี่ยเอ๊ะทำได้ยังไงเนี่ยกล้าวิจาร์มากๆอย่างเช่นคนไม่อ่านพระไตรปิฎกแต่วิจาร์พรนะไตรปิฎกเนี่ยเอ๊ะทาได้ยังไงมนะั้นหรืออ่านมาก็อ่านนิดๆหน่อยๆแล้วก็วิจาร์โดยประการต่างๆนี่จึงเป็นคนที่น่ากรุณามากะนะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะถ้าเราสังเกตสักนิดหนึ่งจะเห็นเยอะมากเลย เพียงแต่ว่าสังเกตรหรือไม่แค่นั้นเองในในประเทศไทยหรือบ้านเราทั้งหลายเนี่ยนะในยุคนี้เนี่ยมีอย่างนี้เยอะจริงจริงถ้าเราไม่มีกรรมมศกตาเนี่ยจะเป็นคนที่น่าการุณามากเลยส่วนกุลบุตรที่เล่าเรียนอีกในหนึ่งเนี่ยนะก็คือประเภทนิสรณะปริยัตใช่ไหมนิสรณะปริยัตนี่คือกลุ่มไหนอัตถกถาท่านบอกว่าคือพวก พวก阿拉คัตทูประมาปริยัติเนี่ยนะไม่เล่าเรียนพระพุทธวจนะแล้วนอนหลับเสียยังจะดีกว่าการเล่าเรียนส่วนภิกษุเรลาใดเรียนด้วยคิดว่าพระพุทธวจนะเนี่ยนะพุทธพจน์ตรงนี้นี่บำเพ็ญศีลคือเรียนแล้วก็อ่านดูเออนี้คำนี้เป็นศีล น, นี่ก็เลยบำเพ็ญรักษาศีล น, น, นะก็อ่านปั๊บเออตรงนี้สมาธิ น, นี่ก็เลยถือเอาเจริญสมาธิ อ่านพับก็เห็นวิปัสสนาก็เริ่มเจริญวิปัสสนาคำตรงนี้เป็นมัจเป็นผลอ่าแล้วก็ปฏิบัติตามอันนี้เป็นนิสรนัตถะปริยัติหรือนิสรณปริยัติเรียนเพื่อความพ้นสำมาติที่ให้ดีในผู้ที่เรียนแบบนี้เนี่ยต้องตั้งจิตให้ดีว่าตรงนี้พระองค์ตรัสศีลไว้เราต้องประพฤติตรงนี้นะตรงนี้พระองค์ตรัสเป็นสมาธิตรงนี้พระองค์ตรัสเป็นวิปัสสนาตรงนี้เป็นมัจตรงนี้เป็นผลตรงนี้เป็นวัตตะตรงนี้เป็นวิวัตะ ศึกษาแยกให้ออกแล้วก็ตั้งอัตตาสัมมาปณิธีว่าถ้าเป็นทุกขสัต์อ่านตรงนี้เพื่อเอาไปทำปริญญาถ้าเป็นสมุทยัทยสัต์อ่านตรงนี้เพื่อละถ้าเป็นนิโรสัจจะอ่านตรงนี้เพื่อทำให้แจ้งมรรคสัต์ก็อ่านเพื่อเจริญเป็นต้นนั่นเองเพรา ะ, ะนั้นก็ต้งองตั้งอัตตาสัมมาปณิธีให้ดีในเวลา เรียนเวลาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเขาเข้ามาถ้าโดยส่วนตัวจริงๆนะกกลัวเรื่องนี้ม า, น, านั่นน่าจะเป็นสิบปีละเพราะอ่านสูตรนี้อ่านป้าเป็สะดุ้งยงเลยก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มจริงๆแล้วก็กลัวอย่างนี้กลัวจริงๆเพรันถ้าเราพูดคําว่าไม่รู้นะไม่รู้สึกว่าเสียหน้าเลยไม่เคยรู้สึกว่ามีหน้าให้เสียเลยนะถ้าเราบอกว่าคําว่าไม่รู้ขึ้นมาเนี่ยนะ เออรู้สึกมันเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งเหมันกันนะที่ได้พูดคําว่าไม่รู้เออไม่เคยเข้าใจเหมือนกันแล้ฟังแล้วมันขำแล้วมันสนุกดีนะเขามามองว่ามันเป็นเทความเทชนิดหนึ่งเหมือนกันไม่ได้มองว่าเป็นปมด้อยเป็นอะไรสักอย่างแล้กนนะและยิ่งเรื่องไหนเราเออไม่รู้เออมันน่าสนใจมากเลยเรื่องนั้นเอ๊ะทําไมเราไม่รู้เนี่ยนะมันก็กลายได้เป็นอะไรนะอาหารอันอร่อยชนิดหนึ่งนะได้อาหารจานใหม่เข้ามาแล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าตั้งจิตเอาไว้ผิดในการศึกษาพระธรรมคําสอนนี่อะไรจะเกิดขึ้น คือพระธรรมคําสอนอย่างที่เรารู้กันว่าตอนที่พงษ์บอกกับอุปกาเนี่ยนะคือท่านจะไปไหนพองษ์ก็บอกว่าจะไปเมืองปาราณสีเพื่อตีกลองแห่งอมตะพรานอริยมรักนั่นแหละคือกลองแห่งอมตะพระธรรมคําสอนนั่นแหละคือกลองแห่งอมตะคือประตูแห่งพระนิพพานพันธะหากว่าตั้งใจผิดเรียนพระปริยัติผิดเหมือนกับเรียนประตูพระนิพพานเอาไว้แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ผิดอะไรจะเกิดขึ้นเช่นเอาไปทําการค้าอะไรจะเกิดขึ้น ก็ความเสียหายโดยประการต่างๆก็จะตามมาปัญญาหากว่าเป็นอย่างนี้ก็น่าสงสารมากเลยนะทีนี้เอ่อตรงนี้จะไม่อ่านทุกพยัญชนะเนี่ยนะเพราะว่ามีตอนข้อหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงรู้เทือถึงเนื้อความแห่งภาษิทธของเราอย่างใดพึงทรงจําไว้อย่างนั้นเถิดนะคือเรียนแล้วเข้าใจว่าเป็นยังไงนะเอาไปจำเอาไว้ให้ดีกําหนดจดจําเอาไว้ให้ดี วันนี้ฟังหลายท่านที่ทรงจําพระธรรมได้ก็เออฟังแล้วก็ก็ดีใจนะเออจําไม้ดีนะก็ทงทรงจําเอาไว้ให้ดีเธอเอาไปพิจารณาให้มากๆไม่ใช่วันหลังเรียกมาเอาลืมไปแล้วอย่างเงี้ยน่าเสียดายมากเลยนะเออแล้วที่ที่อุตส่าห์กว่าจะท่องกว่าจะจําได้ก็จําเอาไว้เธอเอาไว้ใคร่ควรพิจารณาต่อไปมนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินเอามานึกบ่อยๆเอามานึกบ่อยๆมาใส่ใจบ่อยๆท่านพระองค์ก็บอกว่า ถ้าหากว่ารู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิตคือเรียนแล้วเข้าใจยังไงนะทรงจําเอาไว้ให้ดีๆทงก็ชี้นําเลยนะสั่งเลยว่าให้ทําอย่างนั้นสังเกตนะนะของมาก็ไม่ได้สั่งพึงรู้เนื้อความแห่งภาสิตของเราพึงสอบาบาลีนะหมายถึงศั์บาลีตรงไหนถ้าเข้าใจดีแล้วก็ทรงจําเอาไว้ไปคิดให้ควรให้มากๆถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามพระพุทธเจ้าหรือถาม ถ้าพิสุเป็นอื่นๆที่ท่านเป็นผู้รู้เนี่ยนะเราจะแสดงธรรมะมีอุปมาด้วยทุนแก่ท่านทั้งหลายเพื่อต้องการสลัดออกไม่ใช่เพื่อต้องการจะยึดถือท่านทั้งหลายจงฟังธรรมะนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะ